2. โกศิยวัต 5. นิสิธนะสันทตะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดสำหรับรองนั่งเรื่องพระกุปเสนวังคันตะบุตร 565. ส, สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจรีริเร้นอยู่ผู้เดียวตลอดไร่มาตใครๆอยากเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำพัฒหารเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดำรัสว่าได้พระพุทธเจ้าข้าไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยนอกจากภิกษุผู้นำพัทหารเข้าไปถวายเพียงรูปเดียวสมัยนั้นสงฆ์ในกรุงสาวัตถีตั้งกติกากันว่า พระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์เสด็จลีกเร้นอยู่ตลอดไรมาตใครๆอย่าเข้าไปเฝ้าพระองค์ยกเว้นภิกษุผู้นำพัฒหารเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพึงให้ภิกษุรูปนั้นแสดงอาบัติปาจิตตีต่อมาท่านพระอุปสิน์วังคันตบุตรพร้อมด้วยบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควร